มาคันธิยพรามทูลถามดังนี้ทิฏฐิเหล่าใดที่ตกลงใจกําหนดไว้แล้วมุนีไม่ยึดมั่นทิฏฐิเหล่านั้นแลกล่าวเนื้อความใดว่าความสงบภายในเนื้อความนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายประกาศไว้อย่างไรหนอคําว่าทิฏฐิเหล่าใดที่ตกลงใจกําหนดไว้แล้วได้แก่ทิฏฐิ62พรามเรียกว่าความตกลงใจ คำว่ากำหนดไว้แล e ้วได้แก่กำหนดแล้วกำหนดไว้แล้วเพื่อปรุงแต่งไว้แล้วตั้งไว้ดีแล้วรวมความว่ากำหนดไว้แล้วอีกในหนึ่งทิฏฐิทั้งหลายที่กำหนดไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา มีความแปรผันไปเป็นธรรมดารวมความว่าทิฏฐิเหล่าใดที่ตกลงใจกำหนดไว้แล้วคำว่าดังนี้ในคำว่ามาคันธิยะพราหม์ทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิคำว่าดังนี้นี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่ามาคันธิยะเป็นชื่อของพราหมน์นั้นคือเป็นการกล่าวถึงการขนานนามการบัญญัต เป็นชื่อที่เรียกกันรวมความว่ามาคันธิยะพรามทูลถามดังนี้คำว่าเหล่านั้นแลในคำว่ามูนีไม่ยึดมั่นทิฐิเหล่านั้นแลกล่าวเนื้อความใดว่าความสงบภายในได้แก่ทิฏฐิห2สสองคำว่ามูนีอธิบายว่ายานท่านเรียกว่าโมนะ ผู้ก้าร่วมกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุจขายได้แล้วชื่อว่ามุนีคำว่าไม่ยึดมั่นอธิบายว่าท่านกล่าวว่าเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไม่ถือคือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นทิฏฐิทั้งหลายและกล่าวว่ามีความสงบภายในคำว่าเนื้อความใดได้แก่เนื้อความที่ดีเยี่ยมใดรวมความว่า มูนีไม่ยึดมั่นทิฏฐิเหล่านั้นแลกล่าวเนื้อความใดว่าความสงบภายในคำว่าอย่างไรหนอในคำว่าเนื้อความนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายประกาศไว้อย่างไรหนอเป็นคำถามด้วยความสงสัยเป็นคำถามด้วยความข้องใจเป็นคำถามสองแง่เป็นคำถามมีแง่มุมหลายหลากว่าอย่างนี้หรือหนอมิใช่หรือหนอเป็นอะไรเล่าหนอ เป็นอย่างไรเล่าหนารวมความว่าอย่างไรหนาคคำว่านักปลาทั้งหลายได้แก่นักปลาทั้งหลายคือบัณฑิตผู้มีปัญญามีปัญญาเครื่องกรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสคำว่าประกาศไว้ได้แก่ประกาศไว้คือประกาศให้ทราบบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจาแนก ทำให้ง่ายประกาศไว้แล้วรวมความว่าเนื้อความนั้นนักปราทั้งหลายประกาศไว้อย่างไรหนอด้วยเหตุนั้นพรา์นั้นจึงกล่าวว่าทิฐิเหล่าใดที่ตกลงใจกำหนดไว้แล้วมูนีไม่ยึดมั่นทิฐิเหล่านั้นแลกล่าวเนื้อความใดว่าความสงบภายในเนื้อความนั้นนักปราทั้งหลายประกาศไว้อย่างไรหนอเจสิบสี่ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามาคันธียะนักปราดไม่กล่าวความหมดจดพระทิฏฐิไม่กล่าวความหมดจดพระสุตตะไม่กล่าวความหมดจดพระยานไม่กล่าวความหมดจดพระศีลและวัดบุคคลย่อมถึงความสงบภายในเพราะความไม่มีทิฏฐิเพราะความไม่มีสุตตะเพราะความไม่มียานเพราะความไม่มีศีลเพราะความไม่มีวัดนั้นก็หามิได้ นักปราศสลัดทิ้งทำเหล่านี้ได้แล้วไม่ยึดมั่นเป็นผู้สงบไม่อาศัยแล้วไม่พึงหวังพบคำว่านักปราศไม่กล่าวความหมดจดเพราะทิฐิไม่กล่าวความหมดจดเพราะสุตะไม่กล่าวความหมดจดเพราะญาณอธิบายว่านักปราศไม่กล่าวคือไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่ชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไป ความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะทิฏฐิเพราะสุตตะเพราะทิฏฐิและสุตตะนักปราศไม่กล่าวคือไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่ชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะยานรวมความว่านักปราศไม่กล่าวความหมดจดเพราะทิฏฐิไม่กล่าวความหมดจดเพราะสุตตะ ไม่กล่าวความหมดจดเพราะยานคำว่ามาคันธียะเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกาพามั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคเป็นคำกล่าวด้วยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจิกาบัญญัิรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามาคันธียะคำว่านักปราดไม่กล่าวความหมดจดเพราะศีลและวัด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 รวมความว่านักปราดไม่กล่าวความหมดจดเพราะศีลและวัดคําว่าบุคคลย่อมถึงความสงบภายในเพราะความไม่มีทิฏฐิเพราะความไม่มีสุตะเพราะความไม่มียานเพราะความไม่มีศีลเพราะความไม่มีวัดนั้นก็หามิได้อธิบายว่าทิฏฐิประสงค์เอาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบคือหนึ่งทานที่ให้แล้วมีผล 2. ยันที่บูชาแล้วมีผล 3. การเส้นสวงมีผล 4. ผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่ 5. โลกนี้มี 6. โลกหน้ามี 7. มารดามีคุณ 8. บิดามีคุณ 9. สัตว์ที่เป็นโอปปาธิกะมีอยู่ 10. สมณะพรามผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งมีอยู่ในโลกสุตะประสงเอาเสียงจากผู้อื่นคือสุตตะเคยยะเวยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละยานประสงเอากรรมจกกรตายานสัจจาญุโลมิกรยานอภิญญายาณสมาปฏิญาน ศีลประสงค์เอาปาติโมขสังวรวัดประสงค์เอาทุดง8ข้อคือ 1. อารัญยิกังคทุดง 2. ปินทปาติกรังคทุดงสปังสุกูลิกังคทุดงสเตจีวริกรังคทุดง 5. ้าสปธานจาริกังคทุดง 6. ขลุ ป, ปัชชาภติกรังฆทุดง7 เนสัชิกังขตุดงแปดยถาสันติกังขตุดงคำว่าบุคคลย่อมถึงความสงบภายในเพราะความไม่มีทิฏฐิเพราะความไม่มีสุตตะเพราะความไม่มีญาณเพราะความไม่มีศีลเพราะความไม่มีวัดนั้นก็หาไม่ได้อธิบายว่าบุคคลเป็นผู้บรรลุถึงความสงบภายในเพียงเพราะสัมมาทิฏฐิก็หาไม่ได้ เพียงเพราะการได้ฟังก็หามิได้เพียงเพราะยานก็หามิได้เพียงเพราะศีลก็หามิได้เพียงเพราะวัดก็หามิได้คือบรรลุถึงความสงบภายในโดยเว้นจากธรรมเหล่านี้ก็หามิได้เพราะธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องประกอบเพื่อบรรลุเพื่อถึงเพื่อถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งความสงบภายในรวมความว่าบุคคลย่อมถึงความสงบภายในเพราะความไม่มีทิฐิ เพราะความไม่มีสุตตะเพราะความไม่มียานเพราะความไม่มีศีลเพราะความไม่มีวัดนั้นก็หามิได้คำว่าเหล่านี้ในคำว่าสลัดทิ้งทมเหล่านี้ได้แล้วไม่ยึดมั่นอธิบายว่าบุคคลหวังการละทำฝ่ายดำโดยคาจัดได้เด็ดขาดหวังการไม่ก่อตัญหาในกุศลธรรมทั้งหลายในไตรธาตุบุคคลละทำฝ่ายดำโดยการละได้อย่างเด็ดขาดแล้ว ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้และไม่ก่อตัญหาในกุศลธรรมทั้งหลายในไตรธาตุเพราะเหตุใดนักปราดย่อมไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นเพราะเหตุเท่านี้อีกนายหนึ่งทําฝ่ายดํานักปราดไม่ควรถือไม่ควรยึดมั่นไม่ควรถือมั่นรวมความว่า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 ฉลัดทิ้งทำเหล่านี้ได้แล้วไม่ยึดมั่นอย่างนี้บ้างบุคคลและปุญญาพิสังขารอาปุญญาภิสังขารและอนเนเชาพิสังขารได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะเหตุใด น, นักปราชญย่อมไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นเพราะเหตุเท่านี้รวมความว่า สลัทิ้งทำเหล่านี้ได้แล้วไม่ยึดมั่นอย่างนี้บ้างคำว่าเป็นผู้สงบในคำว่านักปราดเป็นผู้สงบไม่อาศัยแล้วไม่พึงหวังพบอธิบายว่าชื่อว่าเป็นผู้สงบคือเข้าไปสงบแล้วสงบเย็นแล้วดับได้แล้วสงบระงับได้แล้วเพราะสงบระงับสงบเย็นเผาดับปราศจากสงบระงับราคะโทสะ โมหะโกทะอุปนาหะมัคคะปลาสะอิสามัชริยะมายาสาเถยะถัมภะสารัมภะมานะอติมาน ะ, ะ, ะ, ะมทะปมาทะกิเลทุกชนิดทุจริตทุกทางความโกร่นกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุศลพิสังขารทุกประเภท <คำ 4> รวมความว่าเป็นผู้สงบ <ation> คำว่าไม่อาศัยแล้วได้แก่ความอาศัยสองอย่างคือหนึ่ง MM ความอาศัยด้วยอำนาจตันหาสองความอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความอาศัยด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐินักปราดละการอาศัยด้วยอานาจตันหาได้แล้วสลัดทิ้งการอาศัยด้วยอานาจทิฏฐิได้แล้ว ไม่อาศัยคือไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นตาหูจมกกูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพตระกูลหมูนะ่คณะอาวาบลาบยศสรรเสริญสุขจีวรบินทบาทเสนาชนะกีฬานปัจใจเภศัชบริขารกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามภพรูปภพอรูปภพ สัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญาณาสัญญาภพเอกโวการภพจะตุโวการภพปัญจโวการภพอดีตอนาคตปัจจุบันไม่อาศัยคือไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโผฏฐพะที่รับรู้และธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งรวมความว่าเป็นผู้สงบไม่อาศัยแล้ว คำว่าไม่พึงหวังพบได้แก่ไม่พึงหวังคือไม่พึงมุ่งหวังไม่พึงคาดหวังการมาพบรูปพบอรูปพบรวมความว่านักปราดเป็นผู้สงบไม่อาศัยแล้วไม่พึงหวังพบด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่ามาคันธียะนักปราดไม่กล่าวความหมดจดพระทิฏิไม่กล่าวความหมดจดพระสุตะ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 เป็นเรื่องงมงายแน่นอนเพราะสมณพราหมณ์บางพวกถึงความหมดจดได้เพราะทิฏฐิคำว่าหากนักปราศไม่กล่าวความหมดจดเพราะทิฏฐิไม่กล่าวความหมดจดเพราะสุตตะไม่กล่าวความหมดจดเพระาะญาณอธิบายว่านักปราศไม่กล่าวคือไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่ชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไป ความหลุดพ้นไปเพราะทิฏฐิเพราะสุตตะเพราะทิฏฐิและสุตตะนักปราชุด้วยกล่าวคือไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่ชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะญาณรวมความว่าหากนักปราชุม้วยกล่าวความหมดจดพระทิฏฐิไม่กล่าวความหมดจดพระสุตตะไม่กล่าวความหมดจดพระญาณ คำว่าดังนี้ในคําว่ามาคันธียาพราหมณ์กราบทูลดังนี้เป็นบทสนทิคําว่าดังนี้นี้เป็นคําเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคําว่ามาคันธียะเป็นชื่อของพรามณ์นั้นรวมความว่ามาคันธียาพราหมณ์กราบทูลดังนี้คําว่าไม่กล่าวความหมดจดพระศีลและวัดอธิบายว่า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 ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าวัดก็พึงปรารถนาท่านไม่สามารถยอมรับโดยส่วนเดียวได้ทั้งไม่สามารถปฏิเสธโดยส่วนเดียวได้รวมความว่าบุคคลย่อมถึงความสงบภายในเพราะความไม่มีทิฏฐิเพราะความไม่มีสุตตะเพราะความไม่มียานเพราะความไม่มีศีลเพราะความไม่มีวัดนั้นก็อหามิได้คาว่าข้าพเจ้าจึงเข้าใจธรรมของท่านว่า เป็นเรื่องงมงายแน่นอนอธิบายว่าข้าพเจ้าจึงเข้าใจอย่างนี้คือรู้รู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดอย่างนี้ว่าธรรมของท่านนี้เป็นธรรมงมงายคือเป็นธรรมของคนเขลาธรรมของคนหลงธรรมของคนไม่รู้ธรรมของคนมีลัทธิที่หลบเลี่ยงไม่แน่นอนรวมความว่าข้าพเจ้าจึงเข้าใจธรรมของท่านว่า เป็นเรื่องงมงายแน่นอนคำว่าเพราะสมณพราหมณ์บางพวกถึงความหมดจดได้พระทิฏฐิอธิบายว่าสมณพราหมณ์บางพวกถึงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปพระทิฏฐิว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะสมณพราหมณ์บางพวกถึงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะรวมความว่าเพราะสมณพราหมณ์บางพวกถึงความหมดจดได้พระทิฐิด้วยเหตุนั้นมาคันธยะพราหมณ์จึงกระบทูลดังนี้หากนักปราชญ์ไม่กล่าวความหมดจดเพราะทิฏฐิ ไม่กล่าวความหมดจดเพราะสุตะไม่กล่าวความหมดจดเพราะยานไม่กล่าวความหมดจดเพราะศีลและวัดบุคคลย่อมถึงความสงบภายในเพราะความไม่มีทิฏฐิเพราะความไม่มีสุตตะเพราะความไม่มียานเพราะความไม่มีศีลเพราะความไม่มีวัดนั้นก็หามิได้ข้าพเจ้าจึงเข้าใจธรรมของท่านว่าเป็นเรื่องงมงายแน่นอนเพราะสมณครามบางพวกถึงความหมดจดได้เพราะทิฏฐิ พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาคันธียะเพราะอาศัยทิฏฐิทั้งหลายท่านจึงถามหนึ่งหนึ่งได้มาถึงความลุ่มหลงในทิฏฐิทั้งหลายที่ท่านถือมั่นไว้แล้วและท่านก็ไม่ได้เห็นสัญญาแม้น้อยหนึ่งจากธรรมนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงประสบแต่ความงมงายคำว่าเพราะอาศัยทิฏฐิทั้งหลายท่านจึงถามหนึ่งหนึ่งอธิบายว่า มาคันธยะพราหมณ์อาศัยทิฏฐิถามถึงทิฏฐิอาศัยความเก em. ี s, <S ่ยวข้องถามถึงความเกี่ยวข้องอาศัยความผูกพันถามถึงความผูกพันอาศัยความกงวลถามถึงความกงวลคำว่าจึงถามหนึ่งเนืองได้แก so ่จึงถามอยู่บ่อยๆรวมความว่าเพราะอาศัยทิฏฐิทั้งหลายท่านจึงถามหนึ่งเนืองคำว่ามาคันธิยะ เป็นคาที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียบพรมนั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคเป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจิกา ญ, ญัติรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาคันธยาคำว่าได้มาถึงความลุ่มหลงในทิฏฐิทั้งหลายที่ท่านถือมั่นไว้แล้วอธิบายว่าทิฏฐิใดท่านถือ คือยึดมั่นถือมั่นติดใจน้อมใจเชื่อแล้วท่านหลงคือลุ่มหลงหลงงม ง, ง, ง, งายถึงความหลงถึงความลุ่มหลงถึงความหลงงม ง, ง, งายเล่นไปสู่ความมืดมนแล้วในทิฏฐินั้นรวมความว่าได้มาถึงความลุ่มหลงในทิฏฐิทั้งหลายที่ท่านถือมั่นไว้แล้วคำว่าและท่านก็ไม่ได้เห็นสัญญาแม้น้อยหนึ่งจากธรรมนี้อธิบายว่า ท่านไม่ได้พบสัญญาอันสมควรสัญญาที่ถึงแล้วสัญญาในลักษณะสัญญาในเหตุหรือสัญญาในฐานะจากธรรมนี้คือจากความสงบภายในจากพ่อปฏิบัติหรือจากธรรมเทศนาเลยท่านจะได้ยาณจากที่ไหนเล่ารวมความว่าและท่านก็ไม่ได้เห็นสัญญาแม้น้อยหนึ่งจากธรรมนี้อย่างนี้บ้างอีกในหนึ่ง ท่านไม่ได้พบเบญจขันธ์ซึ่งไม่เที่ยงหรือยานซึ่งอนุโลมอนิจสัญญาเบญจขันธ์ซึ่งเป็นทุกข์หรือยานซึ่งอนุโลมทุกขสัญญาธรรมซึ่งเป็นอนัตตาหรือยานซึ่งอนุโ ล, ลมอนัตตสัญญาธรรมเพียงแต่ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาหรือธรรมเป็นนิมิตแห่งสัญญาเลยท่านจากได้ยานจากที่ไหนรวมความว่าและท่านไม่ได้เห็นสัญญาแม้น้อยหนึ่งจากธรรมนี้อย่างนี้บ้าง คำว่าเพราะฉะนั้นในคําว่าเพราะฉะนั้นท่านจึงประสบแต่ความงมงายอธิบายว่าเพราะฉะนั้นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นท่านจึงประสบคือเห็นแลเห็นมองดูเพ่งพินิจพิจารณาดูแต่ธรรมคือความงมงายธรรมของคนเขาธรรมของคนหลงธรรมของคนไม่รู้ ทมของคนที่มีลทัทธิหลบเลี่ยงไม่แน่นอนรวมความว่าเพราะฉะนั้นท่านจึงประสบแต่ความงมงายด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามาคันธิยะเพราะอาศัยทิฏฐิทั้งหลายท่านจึงถามเนืองๆได้มาถึงความลุ่มหลงในทิฏฐิทั้งหลายที่ท่านถือมั่นไว้แล้วและท่านก็ไม่ได้เห็นสัญญาแม้น้อยหนึ่งจากธรรมนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงประสบแต่ความงม ง, งาย เจพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าผู้ใดสําคัญว่าเราเสมอเขาเลิ่ดกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาผู้นั้นพึงต้องวิวาทกันด้วยความถือตัวนั้นบุคคลไม่หวั่นไหวในเพราะความถือตัวสามอย่างความสําคัญว่าเราเสมอเขาเลิ่ดกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาจึงไม่มีแก่บุคคลนั้นคําว่าผู้ใดสําคัญว่า เราเสมอเขาเลิ ก, กววาเขาหรือด้อยขวาเขาผู้นั้นพึงต้องวิวาดกันด้วยความถือตัวนั้นอธิบายว่าผู้ใดสำคัญว่าเราเสมอเขาเราเลิกกวาเขาหรือเราด้อยกว่าเขาผู้นั้นพึงต้องก่อการทะเลาะก่กอการบาดหมางก่ n, อการแส่แย่งก่อการวิวาดก่อการมุ่งร้ายด้วยความถือตัวนั้นคือด้วยทิฏฐินั้น หรือกับบุคคลนั้นว่าท่านไม่รู้ธรรมวิ น, นัยนี้เรารู้ธรรมวิ น, นัยนี้ท่านจะรู้ธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดเราปฏิบัติถูกต้องคำของเรามีประโยชน์คำของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดทีหลังคาที่ควรพูดทีหลังท่านกลับพูดก่อนคำที่ท่านใช้เสมอกลับติดขัดวาทะของท่านเราหาักล้างได้แล้ว เราปราบปรามท่านได้แล้วท่านจงเที่ยวไปเพื่อเปลื้องวาทะหรือหากท่านสามารถก็จงแก้ไขเถิดรวมความว่าผู้ใดสำคัญว่าเราเสมอเขาเลิอดกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาผู้นั้นพึงต้องวิวาทกันด้วยความถือตัวนั้นคำว่าบุคคลไม่หวั่นไหวในเพราะความถือตัวสามอย่างความสำคัญว่าเราเสมอเขา เลิด ก, กว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาจึงไม่มีแก่บุคคลนั้นอธิบายว่าความถือตัวสามอย่างเหล่านี้ผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วผู้นั้นย่อมไม่หวั่นไหวคือไม่เอนเอียงในความถือตัวสามอย่างเหล่านั้นความสำคัญว่าเราเสมอเขา เราเลิศขวัวเขาหรือเราด้อยกว่าเขาย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่หวั่นไหวคำว่าไม่มีแก่บุคคลนั้นได้แก่ไม่มีแก่เรารวมความว่าบุคคลไม่หวั่นไหวในพระความถือตัวสามอย่างความสำคัญว่าเราเสมอเขาเลิศกกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาจึงไม่มีแก่บุคคลนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ผู้ใดสําคัญว่าเราเสมอเขาเลิ่ดกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาผู้นั้นพึงต้องวิวาทกันด้วยความถือตัวนั้นบุคคลไม่หวนไหวในเพราะความถือตัวสามอย่างความสําคัญว่าเราเสมอเขาเลื่ดกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาจึงไม่มีแก่บุคคลนั้นเจ็ดสิบแปดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้เป็นพราหมณ์นั้นพึงกล่าวอะไรว่าจริง หรือบุคคลผู้เป็นพรามนั้นพึงโต้เถียงว่าเท็ดด้วยเหตุอะไรความสำคัญว่าเราเสมอเขาเราเลิกกว่าเขาหรือเราด้อยกว่าเขาย่อมไม่มีในพระอรหันต์ใดพระอรหันต์นั้นพึงตอบโต้วาทะด้วยเหตุอะไรเล่าคำว่าพรามในคำว่าบุคคลผู้เป็นพรามนั้นพึงกล่าวอะไรว่าจริงอธิบายว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพราม เราลอยทำเจ็ประการได้แล้วบุคคลนั้นไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยเป็นผู้มั่นคงบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามคำว่าบุคคลผู้เป็นพรามนั้นพึงกล่าวอะไรว่าจริงอธิบายว่าบุคคลผู้เป็นพรามพึงกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงอะไรว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะพึงกล่าวคือพูด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 บุคคลผู้เป็นพรามพึงก่อการทะเลาะก่อการบาดหมางก่อการแข่งแย่งก่อการวิวาทก่อการมุ่งร้ายด้วยมานะอะไรด้วยทิฐิอะไรหรือกับบุคคลใดว่าคำของเราจริงคำของท่านเท็จท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี้หรือหากท่านสามารถก็จงแก้ไขเถิดรวมความว่าหรือบุคคลผู้เป็นพรามนั้นพึงโตเถียงว่าเท็จ ด, ด้วยเหตุอะไร คำว่าในพระอรหันใดในคำว่าความสำคัญว่าเราเสมอเขาเราเลิกกว่าเขาหรือเราด้อยกว่าเขาย่อมไม่มีในพระอรหันใดอธิบายว่าในพระอรหันคือพระขีณาสพใดไม่มีความถือตัวว่าเราเสมอเขาไม่มีความถือดีว่าเราเลิกกว่าเขาไม่มีความดูหมิ่นว่าเราด้อยกว่าเขาคือไม่ปรากฏ หาไม่ได้ได้แก่ความถือตัวนั้นพระอรหันต์ละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยอยานแล้วรวมความว่าความสำคัญว่าเราเสมอเขาเราเลิ่กว่าเขาหรือเราด้อยกว่าเขาย่อมไม่มีในพระอรหันต์ใด คำว่าพระอาหารหันต์นั้นพึงตอบโต้วาทะด้วยเหตุอะไรเล่าอธิบายว่าพระอาหารหันต์นั้นพึงตอบโต้วาทะคือพึงโตเถียงพึงก่อการทะเลาะก่อการบาดหมางก่อการแกงแย่งก่อการวิวาทก่อการมุ่งร้ายด้วยเหตุอะไรด้วยทิฏฐิอะไรหรือกับบุคคลใดว่าท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี้หรือหากท่านสามารถก็จงแก้ไขเถิด รวมความว่าพระอรหันต์นั้นพึงตอบโต้วาทะด้วยเหตุอะไรเล่าด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุคคลผู้เป็นพราหมณ์นั้นพึงกล่าวอะไรว่าจริงหรือบุคคลผู้เป็นพรามณนั้นพึงโต้เถียงว่าเท็จด้วยเหตุอะไรความสําคัญว่าเราเสมอเขาเราเลิกกว่าเขาหรือเราด้อยกว่าเขาย่อมไม่มีในพระอรหันต์ใดพระอรหันต์นั้น พึงตอบโต้วาทะด้วยเหตุอะไรเล่าเจ็ดสิบก้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลละที่อาศัยแล้วไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยหมหนีไม่ทำความเยื่อายในกามว่างจากกามทั้งหลาย ไม่มุ่งหมายอัตภาพต่อไปไม่พึงกล่าวถ้อยคาขัดแย้งกันครั้งนั้นแลหาลิงทกานิฆะบดีเข้าไปหาท่านพระมหากัจจายณะถึงที่อยู่กราบท่านพระมหากัจจายณะแล้วนั่งนัตถสมควรครั้นแล้วได้ถามท่านพระมหากัจจายณะว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัพสิทธิ์นี้ในมาคันธิยะปัญหาอันมาในอัตกะวกว่า บุคคลละที่อาศัยแล้วไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยหมหนีไม่ทำความเยื่อยใยในกลามว่างจากกลามทั้งหลายไม่มุ่งหมายอัตภาพต่อไปไม่พึงกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันข้าแต่ท่านมหากัจจยนะผู้เจริญเนื้อความแห่งพาสิทธิ์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยยอด่อนี้พึงทราบโดยพิสดารอย่างไรท่านพระมหากัจจยนะตอบว่าท่านข้าบดี รูปธาตุเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณวิญญาณที่ผูกพันไว้ด้วยราคาในรูปธาตุตรัสเรียกว่าการเที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณวิญญาณที่ผูกพันไว้ไวด้วยราคะในสังขารธาตุตรัสเรียกว่าการเที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยท่านข้าพเดี บุคคลผู้เที่ยวซานไปหาที่อาศัยเป็นอย่างนี้แลท่านฝ้าพเดีบุคคลผู้ไม่เที่ยวซานไปหาที่อาศัยเป็นอย่างไรคือความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากปุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องแห่งรูปธาตุพระตถาคตทรงละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคน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 ท่านขาา้าพดีบุคคลผู้เที่ยวสัานไปหาที่อาศัยเป็นอย่างไรคือความเที่ยวสัานไปหาและความผูกพันกับที่อาศัยคือรูป niño, Lean, elle, ide, นิมิตสัท <t llen vak ling> นิมิตคันธนิมิตรัสนิมิตโพธัพรนิมิตธรรมนิมิตตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวสัานไปหาที่อาศัยท่านข้าพดีบุคคลผู้เที่ยวสัานไปหาที่อาศัยเป็นอย่างนี้แหลท่านข้าพดี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 ฉะนั้นบัณฑิตจึงเรียกพระธัาคตว่าผู้ไม่ทรงเที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยท่านขะาพเดีบุคคลผู้ไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยเป็นอย่างนี้แลท่านขะาพเดีบุคคลเกิดความเยื่อใยในกลามเป็นอย่างไรเือปิจุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้เกี่ยวข้องอยู่กับครหัสเพื่อเพลินร่วมกันเศร้าโศกร่วมกันเมื่อพวกเขาสุขก็สุขด้วย เมื่อพวกเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเมื่อพวกเขามีสิ่งที่ควรทําเกิดขึ้นก็ลงมือช่วยเหลือด้วยตนเองท่านข้าพเจ้าบุคคลเกิดความเยื่อใยในกลามเป็นอย่างนี้แหลท่านข้าพเจ้าบุคคลไม่เกิดความเยื่อใยในกลามเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่เกี่ยวข้องอยู่กับขรหัดไม่เพลิดเพลินร่วมกันไม่เจ้าโศกร่วมกัน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 ไม่ปราศ จ, จากตัณหาเนกลามทั้งหลายท่านข้าพดีบุคคลไม่ว่างจากกลามทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลท่านข้าพดีบุคคลว่างจากกลามทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ปราศ จ, จากความกำหนัดปราศ จ, จากความพอใจปราศ จ, จากความรักปราศ จ, จากความการะหายปราศจากความเร่าร้อนปราศ จ, จากตัณหาในี่ยกามทั้งหลาย ท่านข้าบดีบุคคลว่างจากกรารทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละท่านข้าบดีบุคคลมุ่งหวังอัตภาพต่อไปเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้มีความมุ่งหวังอย่างนี้ว่าในอนาคตการเราพึงมีรูปอย่างนี้เธอก็ประสบความเพลิดเพลินในความปรารถนานั้นมีความมุ่งหวังอย่างนี้ว่าในอนาคตการเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ พึงมีสัญญาอย่างนี้พึงมีสังขารอย่างนี้พึงมีวิญญาณอย่างนี้เธอก็ประสบความเพลิดเพลินในความปรารถนานั้นท่านข้าบดีบุคคลมุ่งหวังอัตภาพต่อไปเป็นอย่างนี้แลท่านข้าบดีบุคคลไม่มุ่งหวังอัตภาพต่อไปเป็นอย่างไรเพื่อภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่มีความมุ่งหวังอย่างนี้ว่า ในอนาคตการเราพึงมีรูปอย่างนี้ไม่มีความมุ่งหวังอย่างนี้ว่าในอนาคตการเราพึงมีเวทนาอย่างนี้พึงมีสัญญาอย่างนี้พึงมีสังขารอย่างนี้ พ, like this, พึงมีวิญญาณอย่างนี้ <THE F irm ative> เธอก็ไม่ประสบความเพลิดเพลินในความปรารถนานั้นท่านข้าบดีบุคคลไม่มุ่งหวังอัตภาพต่อไปเป็นอย่างนี้แหลท่านข้าบดี บุคคลกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันเป็นอย่างไรเพือพิสูจบางรูปในธรรมวิในนี้เป็นผู้กล่าวถ้อยคำเห็นปานนี้ว่าท่านไม่รู้ธรรมวิในนี้หรือหากท่านสามารถก็จงแก้ไขเถิดท่านข้าพเจ้าบุคคลกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันเป็นอย่างนี้แลท่านข้าพเจ้าบุคคลเมื่อกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันเป็นอย่างไรเพื่อพิสูจบางรูปในธรรมวิในนี้ เป็นผู้เมื่อกล่าวถ้อยคำเห็นปานนี้ว่าท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี้หรือหากท่านสามารถก็จงแก้ไขเถิดท่านข้าบดีบุคคลเมื่อกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันเป็นอย่างนี้แลท่านข้าบดีพาสิทธทิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้มาในคันธยะปัญหาอันมาในอัตกระวักว่าบุคคลละที่อาศัยแล้วไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัย มูนีไม่ทําความเยื่อยใยในกรามว่างจากกรามทั้งหลายไม่มุ่งหมายอัตภาพต่อไปไม่พึงกล่าวถ้อยคําขัดแย้งกันดังนี้แหลท่านข้าบดีเนื้อความแห่งภาสิทธิ์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อพึงทราบโดยพิจารณาอย่างนี้แหลด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุคคลละที่อาศัยแล้วไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัย มุนีไม่ทำความเยื่อใยในกรามว่างจากกรามทั้งหลายไม่มุ่งหมายอัตภาพต่อไปไม่พึงกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันแปดสิบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้นาคะสงัดจากทิฏฐิเหล่าใดพึงเที่ยวไปในโลกไม่พึงพูดจา ย, ยึดถือทิฏฐิเหล่านั้นดอกบวกัวก้านมีน้ำเกิดในน้ำไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำและโคลนตมฉันใด มูนีผู้กล่าวเรื่องความสงบเพราะไม่ยินดีไม่แปดเปื้อนในกลามและโลกฉันนั้นคำว่าเหล่าใดในคำว่าบุคคลผู้นาคะสงัดจากทิฐิเหล่าใดพึงเที่ยวไปในโลกได้แก่ทิฐิทั้งหลายคำว่าสงัดได้แก่ว่างสงัดเงียบจากกายทุจริตจากวจีทุจริตจากมนุทุจริตจากราคะ ว่างสงัดเงียบจากอคุศลาภิสังขารทุกประเภทคำว่าพึงเที่ยวไปได้แก่พึงเที่ยวไปคือพึงอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปคำว่าในโลกได้แก่ในมนุษยโลกรวมความว่าบุคคลผู้นาคะสงัดจากทิฏฐิเหล่าใดพึงเที่ยวไปในโลก คำว่าผู้นาคะในคำว่าผู้นาคะไม่เพิ่มพูดจายึดเถือทิฐิเหล่านั้นอธิบายว่าชื่อว่าบุคคลผู้นาคะเพราะไม่ทำความชั่วชื่อว่าบุคคลผู้นาคะเพราะไม่ถึงชื่อว่าบุคคลผู้นาคะเพราะไม่กลับมาหาบุคคลชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทำความชั่วเป็นอย่างไรเพื่อบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเหตุแห่หงความเศร้ามอง ก่อพบใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิปบาเป็นที่ตั้งแห่งชาติชาราและมรณะต่อไปตรัสเรียกว่าความชั่วสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสพิยะบุคคลผู้ไม่ทำบาปแม้เล็กน้อยในโลกสลัดสังโยคเครื่องผูกพันได้ทั้งหมดไม่ติดข้องอยู่ในธรรมเป็นเครื่องข้องทั้งปวงเป็นผู้หลุดพ้นดารงตนมั่นคงเช่นนั้น บัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าผู้นาคะบุคคลชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทำความชั่วเป็นอย่างนี้บุคคลชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ถึงฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบไม่ถึงโทสาคติลำเอียงเพราะชังไม่ถึงโมหาคติลำเอียงเพราะหลงไม่ถึงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวไม่ดาเนินไปด้วยอานาจราคะ ไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจโทสะไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจโมหะไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจมานะไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจทิฐิไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจอุทจจะไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจวิจิกิจฉาไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจอนุสัยได้แก่ไม่ไปไม่ออกไปไม่ถูกพาไปไม่ถูกนำไปด้วยธรรมที่ก่อความเป็นฝากเป็นฝ่าย บุคคลชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ถึงเป็นอย่างนี้บุคคลชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่กลับมาหาเป็นอย่างไรครูกิเลสเหล่าใดอริยบ yeah. ุคคลละได้แล้วด้วยโสดาปติมักอริยบุคคลนั้นก็ย่อมไม่มาไม่กลับมาไม่หวนกลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกกิเลสเหล่าใดอริยบุคคลละได้แล้วด้วยสกทาคามิมักด้วยอนาคามิมัก ด้วยอรหัตมักอริยบุคคลนั้นก็ย่อมไม่มาไม่กลับมาไม่หวนกลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกบุคคลชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่กลับมาหาเป็นอย่างนี้คําว่าบุคคลผู้นาคะไม่พึงพูจายึดเถอทิฏฐิเหล่านั้นอธิบายว่าบุคคลผู้นาคะไม่พึงพูดจาคือไม่พึงพูดกล่าวแสดงชี้แจงยึดจับถือ ยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิเหล่านั้นได้แก่ไม่พึงพูดจาคือไม่พึงพูดกล่าวแสดงชี้แจงว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะรวมความว่าบุคคลผู้นาคะไม่พึงพูดจายึดถือทิฏฐิเหล่านั้นคําว่า ดอกบัวก้านมีน้ำเกิดในน้ำไม่แปดปื้นด้วยน้ำและโคลนตมชั้นใดอธิบายว่าน้ำตรัสเรียกว่าเอละน้ำตรัสเรียกว่าอัมพุดอกบัวตรัสเรียกว่าอัมพุชะก้านครุขระตรัสเรียกว่ามีน้ำน้ำตรัสเรียกว่าวารีดอกบัวเกิดในน้ำตรัสเรียกว่าวาริชะ น้ำตรัสเรียกว่าชละเปลือกตมตรัสเรียกว่าโครนตมดอกบัวเกิดในน้ำอยู่ในน้ำแต่ไม่ติดไม่ติดแน่นไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำและโครนตมคือไม่ถูกน้ำและโครนตมติดแล้วติดแน่นแล้วแปดเปื้อนแล้วชั้นใดรวมความว่าดอกบัวก้านมีน้ำเกิดในน้ำไม่แปกเปื้อนด้วยน้ำและโคนตมฉันใด คำว่าฉันนั้นในคําว่ามุนีผู้กล่าวเรื่องความสงบก็ไม่ยินดีไม่แปรเปื้อนในกลามและโลกฉันนั้นเป็นคําอุปมาที่ทำอุปมาให้สมบูรณ์คําว่ามุนีอธิบายว่ายานท่านเรียกว่าโมนะผู้ก้าวล่วงขีเลสเครื่องคล่องและตัณหาดุจตข่ายได้แล้วชื่อว่ามุนีคําว่าผู้กล่าวเรื่องความสงบอธิบายว่า มุน like ีผู้กล่าวเรื่องความสงบคือกล่าวเรื่องที่ป้องกันกล่าวเรื่องที่หลีกเร้นกล่าวเรื่องที่พึ่งกล่าวเรื่องที่ไม่มีภัยกล่าวเรื่องที่ไม่คลาดเคลื่อนกล่าวเรื่องอมตะธรรมกล่าวเรื่องนิพพานรวมความว่ามุนีผู้กล่าวเรื่องความสงบฉันนั้นคำว่าไม่ยินดีอธิบายว่าตัญหาตรัสเรียกว่าความยินดีคือความกำหนัด ความกำหนัดนักอาภิชาอคุศลมูลคือโลภะตัณหาที่ตรัสเรียกว่าความยินดีนั้นมุนีใดละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคืยยานแล้วมุนีนั้นตรัสเรียกว่าผู้ไม่ยินดีคือผู้ไม่ยินดีไม่ติดใจไม่สยบไม่หมกมุ่นในรูป เสียงกลิ่นรสโผฏฐะตระกูลหมูนะ่คณะอาวาดลากยศสรนเสริญสุขจีวณบินทบาทเสนาสนะชีฬานปัจจัยเพศะบริขารกรรมธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการะภพจตุโวการะภพ ปันจโวการพบอดีตอนาคตปัจจุบันคือผู้ไม่ยินดีไม่ติดใจไม่สยบไม่หมกมุ่นในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโรภชภะที่รับรู้และธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งได้แก่เป็นผู้คลายความยินดีแล้วปราจจากความยินดีแล้วสละความยินดีแล้วคลายความยินดีแล้วปล่อยความยินดีแล้ว และความยินดีแล้วสละทิ้งความยินดีแล้วคือเป็นผู้คลายความกำหนัดแล้วปราศจากราคะแล้วสละราคะแล้วคลายราคะแล้วปล่อยราคะแล้วละราคะแล้วสละทิ้งราคะแล้วเป็นผู้หมดความอยากแล้วเป็นผู้ดับแล้วเป็นผู้เย็นแล้วมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่รวมความว่า มุนีผู้กล่าวเรื่องความสงบก็ไม่ยินดีอย่างนี้คําว่าไม่แปรเปื้อนในกลามและโลกอธิบายว่าคําว่ากลามได้แก่กลามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกลามสองกิเลสกลามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกลามเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกลามคําว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนสุสยโลกเทวโลก ขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกคำว่าแปดเปื้อนได้แก่ความแปดเปื้อนสองอย่างคือหนึ่งความแปดเปื่อนด้วยอํานาจตันหาสองความแปดเปื้อนด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความแปดเปื้อนด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความแปดเปื้อนด้วยอำนาจทิฏฐิมุนีละความแปดเปื้อนด้วยอํานาจตันหาได้แล้ว สลัดทิ้งความแปดเปื้อนด้วยอํานาจทิฐิได้แล้วย่อมไม่ติดไม่ติดแน่นไม่แปดเปื้นนอนในกลามและในโลกคือเป็นผู้ไม่ถูกตันหาและทิฐิติดติดแน่นแปดเปื้อนออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องในกลามและในโลกแล้วมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่ามุนีผู้กล่าวเรื่องความสงบก็ไม่ยินดี ไม่แปรเปื้อนเนือกลามและโลกฉันนั้นโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุคคลผู้นาคะสงัดจากทิฐิเหล่าใดพึงเที่ยวไปในโลกไม่พึงพูดจายึดถือทิฐิเหล่านั้นดอกบวกัวก้านมีน้ำเกิดในน้ำไม่แปรเปื้อนด้วยน้ำและโคลนต่มฉันใดมูนีผู้กล่าวเรื่องความสงบก็ไม่ยินดีไม่แปรเปื้อนเนกลามและโลกฉันนั้น